จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตใจธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กรกดาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญถวายทานมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลเพราะความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงตัดไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำว่าสัตว์นี้ก็หมายถึง ดวงจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเดรัจฉานเพียงอย่างเดียวสัตว์นี้หมายทุกสิ่ง ท, ทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งที่เห็นและมองไม่เห็นเช่นพวกกายทิศทั้งหลายส่วนมนุษย์นี้ก็เป็นส่วนที่เห็นกันได้แต่ทั้งหมดนี้เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีเทพมีพระมีมนุษย์มีเปรตมีอสุรกายมีเดรัจฉานมีสัตว์นรกเหล่านี้เรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งสิน้นที่ต้องไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆกันก็เพราะบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในแต่ละภพในแต่ละชาตินั่นเองทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเทพเป็นพรหมบ้างไปตกนรกบ้างอย่างพวกเราคั้งนี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ความเป็นมนุษย์ของพวกเราก็มีความแตกต่างกันทั้งในรูปร่างหน้าตาทั้งในสติปัญญาความรู้ความฉลาดทั้งในฐานะการเงินการทองทั้งในสุขภาพ อายุบางคนก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคภัยเบียดเบียนบางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีอายุยืนบางคนก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจน สิ่งเหล่านี้ความแตกต่างเหล่านี้ทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าเกิดจากการกระทาของแต่และของแต่และสัตว์แต่และบุคคลนั่นเองพวกเราในอดีตทำบุญทำบาปมาไม่เท่าเทียมกันเราจึงมาเกิดมีฐานะที่แตกต่างกันการทำบุญให้ทานนี้ อันที่สงก็คือจะทำให้มีเงินทอง ม, มีเงินทองมากมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามดังนั้นการที่เรามาเกิดแล้วเรามีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันทั้งทั้ ง, ท, งที่เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็เป็นเพราะว่าใจของเรานั้น ทำบุญทำบาปมาต่างกันถึงแม้จะมาอาศัยท้องแม่เกิดท้องแม่คนเดียวกันเกิดก็ตา่างแต่พอออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาก็มีความแตกต่างกันสติปัญญาความรู้ก็มีความแตกต่างกันฐานะการเงินการทองก็มีความแตกต่างกันพี่น้องบางคนนี้ คนรวยคนจนคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอีกคนมีรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยสวยงามทาั้งทั้งที่ออกมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่สิ่งที่มาทาให้มีความแตกต่างกันนี้ก็คือดวงจิตดวงใจที่มาครอบครองร่างกายที่พ่อแม่สร้างไว้ให้นั่นเองเมื่อมาครอบครองแล้ว ก็ปรุงแต่งทำให้รูปร่างหน้าตาของของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันถ้าจิตใจคิดดีก็จะปรุงแต่งให้สวยให้งามถ้าคิดร้ายคิดชั่วก็จะทก็จะปรุงแต่งให้ร่างกายมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีอาการ32ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเหล่านี้เรียกว่าเป็นกรรมที่เกิดจากการกระทามาในอดีตที่ได้ส่งผลในชาติดีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายมันทำแต่ความดีให้ละบาปละการกระทาความชั่วทั้งหลายเพราะ จะส่งผลให้กับผู้กระทานั่นเองผลก็มีทั้งสองระดับคือระดับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในระดับที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในภพหน้าชาติหน้าในปัจจุบันถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะมีความสุขใจมีความสงบมีความเย็นมีความสบายถ้า พูดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจก็จะมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนมีความวุ่นวายใจและเมื่อตายไปใจที่คิดดีพูดดีทำดีก็จะได้ไปสู่สุขติไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้างถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างนี่เป็นกฎแห่งกรรมเป็นหลักตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องกรรมนี้หรือไม่ก็ตามแล้วนามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกหรือไม่ก็ตามถ้า ยังมีการกระทำอยู่ชั้นใดผลของการกระทำก็ต้องมีอยู่ชั้นนั้นไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงผลของกรรมคือการกระทำของตนได้นอกจากไม่ทำกรรมอันใดเลยเท่านั้นไม่คิดไม่พูด <c oughs> ไม่ทำอะไรถ้าสามารถไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรได้ตลอดเวลา ก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปใช้กรรมใหม่ไปรับผลของกรรมใหม่นั่นคือจิตของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านไม่คิดไม่พูดไม่ทําหรือถ้าคิดพูดทําก็คิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทาแต่สิ่งที่ดีแต่เมื่อถึงเวลาที่จะ ให้หยุดคิดหยุดพูดหยุดทาท่านก็สามารถหยุดได้เพราะท่านได้ฝึกจิตไว้อย่างดีแล้วนั่นเองจิตนี้ก็เป็นเหมือนกับม้าที่เราขี่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมม้าให้ทำตามคำสั่งของเราให้วิ่งให้เดินให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาหรือให้หยุดถ้าเราไม่สามารถควบคุมบังคับม้าได้ ม้าก็จะต้องทําไปตามอารมณ์ของมา้าเขาจะเดินก็เดินเขาจะหยุดก็หยุดเขาจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาเขาจะถอยหลังก็ถอยหลังเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาทําตามใจของเราได้เลยใจของเราก็เช่นเดียวกันเราอยากจะให้ใจคิดดีพูดดีทดําดีแต่ถ้าเราไม่เคยควบคุมบังคับใจ ฝึกฝนอบรมใจให้ทําตามที่เราสั่งใจก็จะไม่ทําตามที่เราสั่งใจก็จะทําตามอารมณ์ของใจดังที่เกิดขึ้นกับพวกเราบ่อยๆบางครั้งเราไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่ใจก็ไม่ยอมหยุดคิดยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้เราไม่สบายใจยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีความวุ่นวายใจ เพราะว่าเราไม่เคยฝึกสอนใจนั่นเองเราไม่เคยควบคุมใจของเราให้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นใจก็มักจะคิดไปในทางที่จะสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราอยู่เรื่อยๆความทุกข์ของพวกเรานั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความคิดของใจนี่แหละใจที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้คิดดีได้ให้นิ่งได้ถ้าเราสามารถควบคุมให้ใจคิดดีได้หรือให้นิ่งได้เราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่เราไม่สามารถควบคุมใจของเราได้เวลาใจคิดเรื่องอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจก็หยุดคิดไปได้เช่นเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไป ก็หยุดคิดถึงไม่ได้หยุดคิดอยากจะให้กลับคืนมาไม่ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับและถ้าคิดมากๆก็อาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะคิดฆ่าตัวตายในลำดับต่อไปแล้วถ้าไม่หยุดความคิดนี้ไม่ได้ก็ต้องไปฆ่าตัวตาย ดังที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในปัจจุบันนี้เราได้ยินข่าวคนฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆเพราะไม่สามารถหักห้ามความคิดของตนไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ดีได้นั่นเองไม่สามารถสั่งให้ใจหยุดคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ทําให้วุ่นวายใจเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าได้รับแต่ถ้าได้รับการฝึกฝนอบรม ใจอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วจนสามารถควบคุมใจได้แล้วสามารถสั่งให้ใจคิดก็ได้ให้หยุดคิดก็ได้ให้คิดเรื่องนั้นก็ได้ให้คิดเรื่องนี้ก็ได้ถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิน้นเพราะเวลาจะคิดถึงเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็สั่งให้หยุดคิดได้หรือสั่งให้คิดเรื่องอื่นก็ได้ เหมือนกับเราดูโทรทัศน์มีช่องต่างๆถ้าเราไม่ชอบช่องนี้เราก็กดนิโหมดให้มันไปดูช่องอื่นก็ได้เราสั่งโทรทัศน์ได้ใจของเราก็เป็นเหมือนโทรทัศน์ถ้ามันคิดเรื่องนี้เราไม่ชอบเราก็สั่งให้มันคิดเรื่องอื่นก็ได้เช่นเวลาเราโกรธใครเราก็คิดอยากจะฆ่าอยากจะรางแคล้ อยากจะทำลายเราก็สั่งให้ใจคิดในทางตรงกันข้ามให้คิดให้อภัยคิดไม่จองเวรจองกรรมกันถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะเย็นใจก็จะสบายแต่ถ้าเราหยุดความคิดอาฆาตพยาบาทไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปพูดไปทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายหตามมาต่อไป นี่แะคือเรื่องของกรรมอยู่ตรงนี้ต้นเหตุของกรรมหรือกรรมกรรมตัวตัวสำคัญตัวที่ทำให้กรรมอย่างอื่นเกิดขึ้นตามมาก็คือโมโนกรรมคือการกระทำของใจหรือความคิดนี้เองความคิดของเรานี้สั่งให้กายไปพูดสั่งให้กายไปทำสิ่งต่างๆ ดังนั้นเราจึงต้องคอยควบคุมใจของเราสอนใจของเราให้คิดดีพูดดีทำดีวิธีที่จะทำให้ใจคิดดีพูดดีทำดีได้ก็ต้องมีธรธรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามหลักของความจริงเช่นทรงสอนว่าอย่าโลภโลภแล้วไม่ดี โลภแล้วจะทำให้คิดไม่ดีตามมาเวลาอยากจะได้อะไรมากๆถ้าหามาด้วยวิธีสุจริตไม่ได้ก็จะคิดหาด้วยวิธีทุจริตไปโกหกหลอกลวงไปลักขโมยไปป้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตนอยากได้มาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงนองสอนให้พวกเราอย่าโลภ ให้อยู่อย่างไม่โลภ ก, ก็ได้เพราะว่าการเวลาไม่มีโลภแล้วจะคิดดีคิดดีแล้วก็จะพูดดีจะทำดีจะมีความสุขจะมีความสบายใจหรือว่าท่านสอนไม่ให้เราโกรธก็เช่นเดียวกันเพราะเวลาโกรธแล้วก็ทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราคิดร้ายคิดอยากจะทำร้ายผู้อื่น คิดอยากจะดุจะดาจะว่าผู้อื่นแล้วก็คิดจะไปทำร้ายผู้อื่นทำให้เกิดผลเสียหายตามมาต่อไปคนที่ไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะใจเกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วไม่รู้ว่าความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่จะ ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายต่างๆตามมาพอไปฆ่าผู้อืแล้วตนเองก็อยู่อย่างไม่เป็นสุขต้องหลบหลบซ่อนซ่อนหนีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหนีทั้งญาติพี่น้องของของคนตายเพราะเขาจะต้องตามมาล้างแค้นนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้า สิ่งทีพท่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละก็ดีหรือให้ทำกดีนี้ล้วนเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะฟังในขณะนี้ก็ตามหรือถ้าเราไม่มีเวลามาวัดเราก็เปิดวิทยุฟังก็ได้ เปิดเครื่องเล่นแผ่นฟังก็ได้เปิดโทรทัศน์ดูและฟังไปด้วยก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อหลายรูปแบบด้วยกันที่เราสามารถได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราจะมีหูตาที่สว่างขึ้นเราจะเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเองก็ดีเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นก็ดีเราจะเข้าใจและเราจะรู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทางที่ถูกที่ดีที่งามเราจะรู้จักวิธีปฏิบั ต, ติต่อผู้อื่นให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดปัญหา ต่างๆตามมาการดำเนินชีวิตของเราก็จะตั้งอยู่ในศีลห้าคือเราจะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ถัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดตรเวณีพูดปดมดเท็และละเว้นจากอบายามุขต่าง ๆ, ๆเช่นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืน การครบคนชั่วเป็นมิตรและมีความเกลียดคร้านสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ว่าไม่เป็นขุนเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราเลยมีแต่จะเกิดโทษมีแต่จะสร้างปัญหาให้กับเราอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือการดำเนินชีวิตของเราเราจะ เป็นคนที่มีความขยันมีความขวนขวายที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ทั้งในทางโลกและในทางธรรมแล้วเพื่อเราจะได้นำเอาวิชาความรู้ที่เราได้เรียนนี้มาประกอบสัมมาชีพทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้เรามีรายได้จุนเจือชีวิตของเรา แนะถ้าเรามีรายได้มากกว่าที่เราจําเป็นจะต้องใช้เราก็จะเอารายได้ที่เหลืออยู่นี้ไปสงเคราะห์ผู้อื่นต่อไปไปช่วยเหลือผู้อื่นไปทําบุญให้ทานสุดแท้แต่จะพอใจจะทํากับใครที่ไหนก็ได้ทํากับวัดทํากับพระก็ได้ทํากับคนก็ได้ เป็นบุญเหมือนกันทำแล้วจะทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจมีความภูมิใจจะทำให้ความโลภลดน้อยลงความโกรธลดน้อยลงความหลงลดน้อยลงจะทำให้จิตใจสูงขึ้นจเจริญยิ่งขึ้นเพราะเมื่อได้ทำความช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว จิตใจจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นจิตใจจะไม่อยากทำให้ผู้อื่นต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนจากการกระทำของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจก็จะเป็นเป็นเทพเป็นมนุษย์ขึ้นมาทางตรงกันข้ามถ้ามีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากก็จะไปพูดไปทาไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายไปทำผิดศีลผิดธรรมก็จะทําให้จิตใจตกต่ำตกต่ำจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงพาให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีแล้ว หลไม่ดีก็ต้องตามมาทันทีทั้งๆ ท, งที่ทั้งในขณะที่ยังไม่ตายไปใจก็ได้เสื่อมลงไปแล้วและเมื่อตายไปใจก็ต้องไปเกิดตามฐานะของใจถ้าเป็นเดรัจถ้าใจเป็นเดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าใจเป็นเปรตก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้าใจเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกทันทีเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครยับยั้งได้ นอกจากการกระทำบุญเท่านั้นที่จะสามารถยับยั้งกรรมต่างๆได้กรรมที่ยังไม่เกิดนี้เราสามารถยับยั้งได้ถ้าเราสร้างบุญให้ได้เท่ากับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างไว้เพราะเมื่อเราสร้างถึงระดับนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่เมื่อไม่ไปเกิดใหม่กรรมก็ไม่สามารถตามไปได้ แต่ถ้าตราบใดเรายังมีการเกิดอยู่เรายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เราก็ยังต้องใช้กรรมเก่าที่เราทําไว้แม้จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ยังต้องใช้กรรมเก่าอยู่พระพุทธเจ้าก็ถูกคนคอยปองร้ายคอยฆ่าอยู่เนี่ยพระอาหารหันต์บางรูป ก, ก็ถูกคนฆ่าตายเพราะนี่เป็น ผลของกรรมเก่าถ้ายังเกิดอยู่ยังมีร่างกายอยู่ก็จะต้องถูกผลของกรรมเก่านี้ตามมาสนองได้แต่ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์หลังจากที่ทรงเสด็จดับขันปริณิพานไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดอีกแล้วกร ร, กรรมต่างๆที่ได้เคยทําไว้ในอดีต จะมากหรือน้อยเพียงไรจะหนักหรือเบาเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะไปตามสนองจิตของผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้แล้วมีหนทางนี้หนทางเดียวเท่านั้นที่จะหนีกรรมได้แต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยากจะหนีกรรมด้วยการไปหาหมอดู หมอดูก็บอกให้ไปทาบุญสะดาะเคราะห์ทำอะไรต่างๆอย่างนี้ก็หนีไม่ได้เพราะการทําบุญนี้เป็นการสร้างบุญใหม่ที่จะเกิดภายในอนาคตแต่บุญใหม่นี้ไม่สามารถมายับยั้งกรรมเก่าไม่ให้สมผลขึ้นได้กรรมเก่าเมื่อถึงเวลาที่เขาจะออกดอกออกผลเขาก็จะต้องออกดอกออกผล เหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจะออกดอกออกผลเขาก็จะออกดอกออกผลเราไปหยุดเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถึงแม้เราจะปลูกต้นไม้ใหม่อีกกี่ร้อยต้นก็ตามมันเป็นคนละเรื่องกันปลูกต้นไม้ใหม่เดี๋ยวต้นไม้ใหม่ก็จะออกผลใหม่ตามมาทีหลังแต่ต้นเก่าที่ปลูกไว้แล้วเมื่อถึงเวลามันก็ต้องออกผลของมัน กรรมก็เป็นอย่างนี้กรรมเก่าที่เราทําไว้แล้วถ้าเราไปฆ่าผู้อื่นเราไปทําบาปทํากรรมมาในอดีตเพราะถึงเวลาก็จะต้องใช้กรรมนั้นบางทีอาจจะมีคนมาฆ่าเราในชาตินี้ก็ได้เช่นพระ อ, อรหันต์บางรูปท่านถูกคนฆ่าตายแต่พระ อ, อรหรนันต์นี้ท่านไม่หวั่นไหวจิตใจของท่านไม่กลัวตายและท่านไม่หนีกรรม ท่านยอมรับกรรมทั้งๆ ท, ที่ท่านมีฤทธิ์มีเดช ส, สามารถที่จะห ล, ลบหนีได้แต่ท่านไม่ใช้ฤทธิ์เดชเพื่อหลบหนีกรรมเพราะท่านรู้ว่าหนีได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่ง น, นี้เขาก็ตามมาใหม่กรรมนี้เพื่อไม่สามารถสนองตอบเราได้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปมันกจ็จะกลับมาใหม่มันจะมาสนองเราจนกว่า จนกว่าจะสนองได้เมื่อมันได้สนองเราแล้วเรารับผลของกรรมแล้วเท่านั้นแหละกรรมนั่นถึงจะหมดไปได้นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีฮิริโอตปะให้เรามีความอายในบาปให้เรามีความกลัวในบาปอายในบาปเพราะเพราะว่าคนทำบาปนี้ไม่ได้เป็นคนดีนั่นเอง ไม่ได้เป็นคนที่น่าชื่นชมยกย่องสรรเสริญแต่เป็นคนที่น่าตำหนิน่าจับเอาไปลงโทษคนที่น่า ช, ชื่นชมยินดีสรรเสริญนั้นคือคนที่ไม่ทำบาปคนที่ทำกรรมดีต่างหากถ้าเราอยากจะเป็นคนให้คนอื่นเขาชื่นชมยินดีรักเราไม่เกลียดเราเราก็ต้องมีฮิริ มีความอายบาปเหมือนกับเวลาที่เราออกไปข้างนอกบ้านเราก็ไม่กล้าออกไปโดยที่ไม่แต่งกายให้เรียบร้อยเราไม่กล้าเปลื้องผ้าออกไปนอกบ้านล่อนจ้อนเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ำเพราะเราอายไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นเราล่อนจ้อนนั่นเองฉันใดการกระทําบาปก็เป็นอย่างนั้นการกระทําบาปก็เป็นเหมือนกับคนที่เปลื้องผ้า ไม่มีอะไรน่าดูให้ดูเลยต้องใส่เสื้อผ้าถึงจะสวยงามคนเราจะสวยงามทางใจก็ต้องมีศีลศีล น, นี้เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจต้องละเว้นข้อห้ามต่างๆให้ได้แล้วเราจะเป็นคนที่มีความสวยงามส่วนความกลัวบาปก็คือให้เรากลัวว่าเมื่อเราทากรรมไปแล้วทาบาปไปแล้ว ผลของมันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นและเราหนีมันไม่พน้นนอกจากเราได้ไปถึงพระนิพพานแล้วเท่านั้นถึงจะหนีได้แต่ถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพาน <c oughs> ก็ขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับผลของกรรมที่มันจะตามมาเราจะจำได้หรือไม่ก็ตามไม่สำคัญไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราลืมไปแล้ว กรรมนั้นมันก็จะไม่ตามมากรรมมันไม่ลืมเราอาจจะลืมแต่กรรมมันไม่ลืมมันจะตามส่งผลให้กับเราเสมอตลอดเวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ดังนั้นยิงขอให้เรามีฮิริโอตปะให้อายบาปให้กลัวบาปไม่กล้าทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วต่อไป ก็จะไม่มีบาปไม่มีกรรมมาสนองเพราะว่ากรรมเก่าที่เราทำไว้มันมาเราก็ใช้มันหมดแล้วเมื่อเราใช้กรรมเก่าหมดแล้วกรรมใหม่เราไม่ได้สร้างมันก็จะไม่มีกรรมตามมาอีกต่อไปมีแต่บุญตา ม, มามีแต่บุญที่จะส่งให้เราไปเกิดที่ดีที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆให้มีความสุข มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้ไปถึงพระนิพพานเราไปพระนิพพานด้วยบุญเราเราตัดกรรมด้วยการไม่ทํากรรมใหม่เมื่อเราไม่ทํากรรมใหม่แล้วต่อไปก็จะไม่มีกรรมต่างๆตามมานี่คือหลักของกรรมเป็นอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะมีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนหรือไม่ก็ตามไม่สาคัญสาคัญอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทําท่านั้น ถ้าทำแล้วต้องมีผลทั้งนั้นไม่ว่าจะบุญหรือบาปถ้าไม่ทำก็จะไม่มีผลตามมาจึงของฝากเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้เรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอผู้สนลบุบุญที่ท่านได้มาบำเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเทอ